นางสุเ ป, ปียตอนนั้นพ้าท่านป่วยป่วยอยากจะกินเนื้อแต่วันนั้นเป็นวันพ้าหาเนื้อไม่ได้เธอให้คนใช้ตีที่ตลาดกลับมาไม่มีเนื้อต่อมาเธอพิจารณาจะหาที่ไหนเนหาไงก็ไม่ได้ถ้าพ้าไม่ได้ฉันันนี้แล้วคนพระท่านป่วยด้วยไงถ้าเป็นโรคนางก็เลยบัญจงไปเอามีดเข้าไปในครัวตัดตีน้องตัวเองตัด เ บ, บ็เศษ็แล้วก็ไปมัดเแบบ็เศษ็ก็ไปทำอาหารแล้วไปให้ให้คนเอาไปถวายนะนีแ่แปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สรรเสริญให้ทำอย่างนี้นะแต่ต่อมาพุธเจ้าบัญญัติห้ามนะแต่อันเนี้ย น, นี้คำว่าไม่ยึดมันนะ่นเข้าใจหรือยงังถ้าเรื่องของพระรัตนตรัยนั้นอย่าว่าแต่อวัยวะเลยแม้ชีวิตก็ให้ได้ ไม่ได้กลัวว่าตนเองจะอดตายจะได้รู้ว่านี่ก็เข้าถึงสถานะคมเป็นแบบนี้นะยังเรามีสถานะการเข้าถึงผู้โดยชนเนี่ยเป็นการเข้าถึงที่ยังมีข้อแม้เต็มไปหมดแล้วจะได้รู้าจะได้ฝึกหัดขัดเกลารไปเรื่อยๆแล้วจะได้ยอมรับความจริงของชีวิตนะยอมรับความจริงของชีวิตว่าเรายังไม่ถึงท่านหรอกมีพระโสดาบันมีปฏิปทาแบบนี้ อนณาถาปินี่กาศเถีเ่ยให้ให้ให้ซับ้นหมดเนี่ยหมดแล้วไม่ไม่ไมหยุดให้เลยเจนบอกอพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตอนนี้ข้าพเจ้าให้ทานที่เศร้าหมองมีแต่น้ําต้มผักดองและก็ข้าวปลายกวยเยนพระเจ้าข้าพุทธเจ้าบอกว่าเจตนาที่ปราณีตไม่คือว่าเศร้าหมองนะพระมหาดีไม่เรียกว่าเศร้าหมอง วัตถุภายนอกเศร้าหมองได้แต่เจตนาที่บริบูรณ์ที่สมบูรณ์ไม่เรียกว่าเศร้าหมองท่านการทำของท่านไม่เคยกลัวเลยนะจนเทวดามาห้ามทําทําไม้จะจนกันตายทั้งตระกูลอยู่แล้วท่านยังไล่เทวดาออกจากบ้านเลยเราเนะี่ยลองลูกมาห้ามแม่ให้ทําไม้เออแม่ก็คิดอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว <laughs> แม่ก็ไม่อยากจะให้ถึงขนาด น, น, นั้นหรอก <laughs> ใช่ไหมแล้วเดีวพ่อจะจริงเป็นอย่างนี้ไหม นี่เราจะได้รู้ว่าปฏิปทาเนี่ยที่ไม่ยึดมั่นอยู่บนความไม่ยึดมั่นเป็นอย่างนี้อย่างเราไม่ยึดมั่นแต่อยู่บนความยึดมั่นเรายังมีแย่ส่วนเดี๋ยวเราก็จะต้องมีข้อนึงอ่ะก็เรามันกูดชูนดชนเราอันกูดูชนไงเราไม่กล้าหรอกแต่คนที่เขากล้าน่ะแปลว่าเขาเพิ่มพลังศรัทธาพลังปัญญาและเข้าใจ เขาวางแผนด้วยนะไม่ใช่อย่างคนหนึ่งนะศรัทธาพระออ้ยถวายถวายถวายนะเขา้านะเข้าเอาเรือนเอาบ้านถวายพระหมดแล้วไปอยู่วัดนะเขาไปอยู่วัดไม่ได้อยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวนี้ไปอาศัยใจถุนพระอยู่ทุกข์ทรมานทีนี้ผิดพลาดนะเนี่ยเพราะเป็นการศรัทธาที่ขาดปัญญาถ้าศรัทธาที่ถูกต้องมันจะมีปัญญาใช่ไหมแล้วก็จะต้องพิจารณาว่า ถ้าเราให้อย่างนี้เราหมดเนื้อหมดตัวแน่แต่ถ้าหมดเนื้อหมดตัวแล้วตนเองจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ยิ่งทาถ้าคิดว่าทุกข์เนี่ยไม่ทำเพราะตนเองยังไม่ถึงแต่คนทีกพิจารณาเบ็เสร็จรอบข้อเบ็เสร็จพอใจท่านถึงแล้วท่านไม่อะไรกายและชีวิตเบ็เสร็จเนี่ยท่านเป็นขอทานก็ได้แล้วท่านจะไม่ทําศรัทธาให้หล่นให้ตกลงไปเลยอันนี้ใช่แต่อย่างเร า, ย, ายังไม่ถึงยังไม่ถึง มันก็เลยมีเรื่องแบบนี้เยอะเลยเนี่ยเพรให้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกสมมุติเราเอาปัจจัยไปถวายทวารใจวัดหนึ่งอยู่ต่อมาวัดนั้นมีชื่อเสียงที่เสียขึ้นมาโอ้ยขับไปไปขอเงินคืนกันไปแท้ก็เป็ น, น, นยังใช่ไหมล่ะอันนี้มีเงื่อนไขหมดเลยการให้มันสลาขาดจริงไหมเนี่ยก็ไม่สริงไม่ต้องอะไรหรอกแค่ปีนโตชิ้นเดียวเนี่ยต่อมาในเจอมาแล้ว ตอนนั้นก็เดินเดินไปก็ถวายอาตมาก็รับพอรับไปเสร็จพอเดินตรงนั้นมันลืน่นท่านเดินดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้ม เ, เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตินโตหกหมดอาจารย์ก็หันกลับไปถามโยมถวายหรือยังถวายแล้วอันนี้เป็นของใคร เ, เป็นของของพระแล้วเอาถ้าอาตมาจะล้มเนี่ยมันเรื่องอาตมาไม่ใช่เรื่องโยมนะถ้าถ้าถ้าอาหารอย่าหนเ่ยเสียใจกลัวท่านไม่ได้กิน ดิ้งหัวอยู่ไหมเนี่ยให้แล้วหวัวถามหลอกยอมถ้ า, าจะมาเอาเป็นโตัวเนี้ยโยนทิ้งลงน้ําเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยโยนเยอะไงมโอ้ทำไมท่านทําขนาดนั้นเย่ยอันนี้ขาดไหมให้แล้วขาดไหมไม่ขาดให้ไม่ขาดอย่างนี้ไม่เรียกสละขาดให้แล้วมีอาลายาวอนอยู่ก็พยายามตัดให้ขาดจริงๆอย่างให้แล้วขาด ถามว่าให้อย่างนี้ยบุญให้ผลจะทําให้รวยรัพย์นะพวกเนี้ยแต่พอ ร, รวยทรับไปแล้วเป็นได้แค่ปู่โสมเป้าซั์ออกไม่ได้ออกจากซับไม่ได้ยิ่งมีซัพย์มากก็ยิ่งเป้าอยู่นั่นแหละออกไม่ได้เพราะอกรณีที่ให้ไม่คาดโอ้ยให้ไม่คาดมันมีเหตุและผลรองรับมันอยู่นะเรื่องการให้ยากนากเล ลำบากไหมไม่ลําบากเอ๊ะพุกพอมองอย่างนี้แล้วพอจะเข้าถึงสารณาคมได้แข็งแรงขึ้นไหมชัดขึ้นไหมเดนทีนี้การถึงสารณาคมสภาวะสภาวะที่เป็นเนื้อเป็นตัวของการเข้าถึงสารณาคมจริงๆมันคือมหาพุชนที่มีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ลักษณะจิตที่ไม่มีโรคคือราคาโทสะโมหะกุ้มรุมจิตที่นี้ไม่มีโทษคือไม่มีของเสียไม่มีสิ่งไม่ดีทั้งหลายเคียร์ปนอยู่ในสภาพจิตใจนั่นเลยเป็นสภาพจิตที่อ่อนโยนเป็นสภาพจิตที่เบาเป็นสภาพจิตที่คล่องแคล่วเป็นสภาพจิตที่ควรต่อการงานเป็นสภาพจิตที่เต็มไปกับปลาโมดปีติเป็นสภาพจิตที่มีปัญญานําหน้าเข้าใจคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริง และเป็นสภาพจิตที่เป็นสุ ข, ขวิบาก ค, คือสภาพความผ่องใสเกิดขึ้นสุขสมนัะเกิดขึ้นสมาธิตั้งมัน่นสภาพจิตอย่างนั้นเนะขาเรียกจิตที่ไร้โทษเจตที่ไร้โรคจิตที่เป็นสุ ข, ขวิบากจิตที่เป็นสมภูตะก็คือมีปัญญาสหรคตประกอบมีความเข้าใจอย่างแท้จริงลักษณะสภาพใจอย่างนี้ที่เข้าถึงพระร h ตน a ไตรยอย่างนี้เขาเรียกการเข้าถึงสารณาคมเนะี่ยชัดแล้ว แล้วปฏิบัติต่อพระุทธเจ้าถูกปฏิบัติต่อพระธรรมถูกปฏิบัติต่อพระสงฆ์ก็ถูกอย่างนี้ถ้าพระุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้ายิ้มพระโอษมั้ยย้มพระโอษแต่ถ้าหากเป็นอย่างในลักษณะที่ปฏิบัติไม่ถูกพระพุทธเจ้าก็วางเฉยเป็นชลางกุเปกขาไม่ทรงดีใจไม่ทรงเสียพระทยัยเพราะพระองค์นั้นลลาบาเอาพระโสดธรรมในใจได้แล้วแต่พระองค์ก็จะวางใจเป็นเฉยว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เธอไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมดูก่อนวัคคารีเธอไม่ได้เห็นตถาคตเสียแล้วแม้เธอจะจับชายกีวรของพระผู้มีพระเจ้าของพระตถาคตท่องเที่ยวไปนะสถานที่ต่างๆชื่อว่าเธอไม่ได้ถึงสารณาคมไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เข้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เห็นพุท ธ, ธรัตนะไม่เห็นธรรมรัตนะไม่เห็นสังฆรัตนะแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือตถาคต ทำวาเห็นธรรมก็คือว่าเห็นพระธรรมคือตัวศรัทธาในใจตนเองจริงๆแล้วก็เห็นธรรมะคือตัวภูสุลศีลที่ประชุมในกระแสชีวิตจริงๆว่าตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วก็เดินตามร่อง ร, อ, งรอยของภูสุลศีนเห็นสมาธิก็เชื่อมั่นว่าสมาธิสิกขาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยกําจัดนิวรณธรรมได้จริงเห็นปัญญาคือความเข้าใจในกระแสของ โรคและชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อสิขาสามเชื่อมั่นในสิขาสามว่าสิขาสามนี่แหละจะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ได้รับประโยชน์อยงแท้จริงและไม่เอาความเชื่อนี้ไปผูกไว้กับ อ, อย่างอื่นก็จะเห็นข้อปฏิบัติในตนยากไหมยอมเห็นศีลในตนหรือยังเห็นหรือยัง อาจารนั่งๆเห็นศีลในตอนนรืยังเห็นศีลในกระแสชีวิตหรือยังศีลที่ควบคุมกายไม่ผูพกพันเนี่ยควบคุมวาจาไม่ผูพกพันเนี่ยควบคุมกายไม่ให้ทุจริตทางกายออกมาควบคุมวาจาไม่ทุจริตว่าทางวาจากมาแล้วควบคุมทําให้เป็นคนใจดีที่เป็นไปกับราโมทิฏิเห็นหรือยังเห็นตัวกุศลศีลตรงนี้และนนศรัทธาในกุศลศีลเชื่อมั่นนี้ยังว่ากุศลศีลนี่แหละ จะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายให้พ้นจากอภัยภูมิเห็นหรื อ, อยังพอเห็นศีลเบสเซจสี น, ส น, นี้เป็นอริยทรัพย์ของใครใครประทานให้คิดถึงพระเจ้าเป็นพระชนคิดถึงศีลเป็นพระธรรมคุณคิดถึงตัวสิกขาคือสี น, นี้ที่อยู่ในกระแสใจของพระอาริยทั้งหลายมันเป็นสังฆคุณเห็นหรื อ, อยังและเห็นศีล น, นั้นในตนไหมแล้วมีอยู่จริงไหม ห้ามหลอกตัวเองนะห้ามนะห้ามหลอกตัวเองนะว่าอย่าไปเที่อบอกใครว่าเรามีศีล น, นะรู้นะเรารู้ได้เฉพาะตนนะศีลเนี่ยว่ามีจริงหรือเปล่างดเว้นจากบาปเอาไปสวดธร ร, รมอันล้างมกได้จริงหรือเปล่าถอยออกจากบาปได้จริงหรือเปล่าถ้าเห็นสมาธิก็ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่เพ้อเจ้อใช่ไหมไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่มัวเมาไม่รุ่มหลงเห็นไหมเห็นปัญญาในตนไหม ที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยอย่างลึกซึ้งและสมาทานว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อสิ่งอื่นแล้วนอกจากพระรัตนตรยัยเห็นไหมครับถ้ายังไม่เห็นก็ต้องปฏิบัติให่ควรวิจัยให้ควรให้เห็นจิงศีลมันไม่ได้ออกมาค้างพูดมันเที่ยวไปบอกว่าเรามีศีลเรามีศีลไม่ใช่นะคือมีข้อปฏิบัติที่สํารวมระวังกายวาจาได้จริง เกิดความละอายชั่วกลัวบาปอย่างแท้จริงเวลาบาปจะเกิดขึ้นทางกายทางวาจายตัวฮิริโอตสภาก็กระตุ้นเตือนนึกถึงพระบัญญิตดำหลักของพระพุทธเจ้าเวื่อเสร็จก็นอบน้อมว่าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนอะที่เราเกิดมาเจอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าได้ประทานอริยทรัพย์คือกุศลศีล ให้มานําทางกระแสชีวิตของเราให้พ้นจากภัยคือการเกิดเป็นสัตว์นรกภัยคือการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานภัยคือการเกิดเป็นเปรตเหล่าจรกายภัยคือการไปเจ็บปวดในสังสารวัตรเราได้อริยทรัพย์ข้อนี้ของพระชินเจ้าแล้วเราเป็นผู้มีศรัทธาเราเป็นผู้มีศีลเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวว่าศีลและศรัทธาที่เราประชุมศีลในกระแสชีวิตนี่แหละจะทําให้เราปลอดภัยจากอบายภูมิและปลอดภัยจากสังสารวัต ข้าพเจ้าจากนอบน้อมพระคมีเบญพาเจ้าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมรสการความตัสรู้ดีของพระเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของพระเดียสงใช่หไหมล่ะถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยที่บอกว่าโสหังวิจาริสามีคามาคาแมงปุราปุรัง นมัสสมาโนสัมบุญทางนามัสสะจัสุธรรมตังข้าพเจ้านี้จากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนามัสการความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมข้าพเจ้าไปอยู่หน้าที่ไหนข้าพเจ้าจะฉินหน้าหันหน้าเนี่ยเพื่อนอบน้อนามนามัสการกพระผู้มีพระภาคเจ้า คาเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีสองภาคียสงฆาปเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนไตรแล้วข้าพเจ้าจักไม่ถือสิ่งอื่นเป็นสารณะอีกต่อไปแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าได้เครื่องกําจัดภัยแล้วข้าพเจ้าได้เครื่องพยุงกระแสชีวิตให้พ้นจากอบายภูมิแล้วข้าพเจ้าได้แก้วอันประเสริฐแล้วข้าพเจ้าเจตสละสิ่งที่ประเสริฐไปทํำไมมั่นใจและเชื่อมั่นเลย เป็นแบบนี้หร so ือยังเป็นหรือยังโยมด่างเป็นสุพรณเป็นพันเ็พันยเจอเจอานาว่จากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองตอนตอนเนี้ยเราจากบ้านมาสู่บ้านนี้ลเมาเพื่ออะไร มาเพื่อนมัสการพระรัตนตรัยใช่ไหมแล้วที่เราไปทํางานแหละไปทํางานเพื่ออะไรเพื่อนมัสการพระรัตนตรัยหรือว่าเพื่อ ง, งานในขณะที่ไปทํางานเน่ะถามว่าเอาพระรัตนตรัยไปด้วยไหมเอาตัวจารีตศีลไปไหมเอาตัวกุศลศีลไปไหมเอาศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยไปไหม แล้วถ้าจะจากพบนี้ไปสู่พบอื่นจะฝังพระรนะไตรเนี่ยลงไว้ในกระแสของชีวิตอย่างมั่นคงต่อไปจะไม่นับถือสิ่งอื่นอีกแล้วไม่เจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยได้ตระหนักอย่างชัดเจนอย่างนี้จริงไหมหรือว่ายังธรรมดายอยู่ในใจหรือยังไม่ได้เห็นค่าของพราชนะไตรยอยู่มันก็ได้เพียงแต่ภาษาพูดนะไม่ใช่มันนั่งฟีอฟีปากเล่นโอ้ย เราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็เคารพพระพุทธเจ้าแต่การการะทําที่เป็นไปกับกายกับวาจากุศลศีลไม่เกิดเลยจิตใจก็ไม่ได้มุ่งมั่นเดบพระร า, าตนณาใตนเองปฏิบัติในการทํางานก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นกําลังเดินตามพุทธโอวาท ย, ยังไงไม่รู้เลยตนเองเป็นฌานลี้ศีลอย่งไรปฏิบัติในหน้าที่ทำหน้าที่สามีก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนะ่ะ สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาที่เป็นการรีศีนเป็นกลัวครโสระศีนยัยงไงภรรยาที่ปฏิบัติต่อสามีก็ไม่รู้อีกตัวเองอะกําลังนอบน้อมพรตนไตรอย่างไรปฏิบัติต่อลูกลูกปฏิบัติต่อพ่อก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นกําลังนอบน้อมพรตนาใจอย่างไรด้วยเพราะไม่เห็นพรตนาใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่เห็นงไงเห็นแต่ความโลภเห็นแต่ความโกรธเห็นแต่ความ ม, วมัวเมาลุ่มหลงเห็นแต่ความ ก็เห็นแต่กายทุจริตก็จีทุกข์จริตมโนทุกขจริตเห็นแต่ความเครียดเห็นแต่ความกลุ่มถามว่าตอนนี้พระนัจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองนมัสการพระรัตนตรัยจริงไหมเขาเป็นมัสการดึกเข้าถึงเข้าถึงรู้เข้าใจและเข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆห่วงงานก็ห่วงพระรัตนตรัยอันไหนมากกว่ากันห่วงลูกก็ห่วงพระรัตนตรัยมัอะไรมากกว่ากันห่วงสามีห่วงภรรยากับพระรัตนตรัยใจ น้อมหาอะไรมากกว่ากันเพราเดี๋ยวนี่นะเราไปเข้าใจผิดว่าเราจะปฏิบัติดูแลสามีเพื่อให้สามีรักเราสามีก็ปฏิบัติต่อภรรยาเพื่อให้ภรรยารักเราแต่ลืมคิดไว้ที่เราปฏิบัติต่อสามีเพราะเราปฏิบัติตามจารีศีลตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าใอ้สามีมารักเรานะ่งเขาเรียกผลโดยโอ้อมผลโดยตรงก็คือการเข้าถึงพระรั n นไตรยเห็นตัวกุศลศีลที่ไหลอยู่ในกระแสชีวิต พอจะเข้าใจไหมเนี่ยที่ยังไม่เห็นนี่ยากไหมไอ้คนคนนี้ด่าเราเราปฏิบัติไม่ได้เลยค่ะอนี้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้อันนี้แปลว่าเอาใจไปยึดติดไว้ที่บุคคลนะแต่ไม่ได้ผูกพันไว้กับพระราชนตรัยตอนนั้นทิ้งพระราชนทรัยเพราะเราโกรธเหรอเห็นไหมเราทิ้งพระราตนตรัยเราไปโกรธถามเวลาโกรธเนี่ยเคารพพระราตนตรัยไหมเกิดความลำหนักบินดีอ่ะตอนนั้นเคารพพระรานะตนทรัยไหม เกิดความมืดบอดของจิตตอนนั้นเคารพพระัตนะใจไหมลังเลสงสัยคารพพระัตนะใจไหมฟุ้งซ้านลำพานใจเคารพระัตนะใจไม่เคารพแค่นั้นที่เราบอกว่าข้าพเจ้าจักเคารพระรัตนะใจแปลว่าข้าพเจ้าจักไปนะที่ไหนอยู่นะที่ไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยข้าพเจ้าจักคารพระรัตนะใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกเอียบทลยากไหมแต่เชื่อมั่นแล้วทําได้ แต่ความเชื่ อ, อ น, นี่แหละมันศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็เพียรพยายามประคับประคองใจให้อยู่กับกุศลกุศลก็เป็นตัวพระราชาไกรเพราจะมองเห็นได้อย่างยอมเลยเนะี่ยตอนที่เราปฏิบัติดีต่อต่อครอบครัวตอนนั้นเราเห็นอะไรสําคัญตัวกุศลศีลตัวพระธรรมที่เห็นเห็นพุทธโอวาสเห็นตัวกุศลศีล เห็นข้อปฏิบัติของภาริยาทั้งหลายที่มีในตงเราจึงทำดฉะนั้นพอเวลาทำพอปฏิบัติในตัวกุศลศีลมันจะได้ยินจะมีทั้งเสียงชมและเสียงด่าใช่ไหมจะทุกใจกับเสียงชมหรือเสียงด่าไหมแต่ถ้าวันใดจิตเราหลุดออกจากพุทธโอวาสหลุดจากกุศลศีลวันนั้นต่างหาที่เราทุกใจนั่นเป็นความวิบัติที่น่ากลัวมากนะถ้าหากว่าศีลวิบัติเนี่ยน่ากลัวไหม ถ้าศีลจะวิบัติไปจากกระแสชีวิตน่ากลัวไม่น่ากลัวถ้าความเห็นในพระธรรมคําสอนมันจะมันจะมาโผล่ในใจเราเนี่ยเราไปปฏิบัติแบบทิศฉีของเราเนี่ยอันนี้เราปฏิบัติที่จะบพระโตวาบเราจะไปร้องเรียกใครเราเจ็บปวดเองนะเราทรมานเองนะตรงนี้ฟังให้ดีๆนะเนี่ยถ้าฟังไม่ดีๆเราจะไม่รู้นะว่าเออตอนนี้เรากําลังใกล้จะเข้าถึงวาระตระหนักใจกัน แ, แล้วนะเนี่ยที่เจาะออกมาเรื่อยๆเรื่อๆ เ, เ, เ, เนี่ย ฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดแล้วจะได้เข้าใจอย่าไปคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจนะนั่นเขาเรียกว่าความมืดของจิตมันเกิดว่าตอนที่กําลังทาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปหาใครสักคนเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยแล้วเราไปปฏิบัติในฐานะที่ไปเชื่อมโยงกิจการงานทั้งหลายกับเพื่อนเนี่ยตอนนั้ น, น่ะเราอาจจะเจอเพื่อนชมกลับมาหรือเพื่อนด่ากลับมาแต่ถ้าเราไม่ถึงสาระนี่นะ ไม่เข้าถึงกลัวกุศลศีลเนี่ยเราจะเครียดมากเมื่อได้ยินเสียงดา่าแล้วเราจะยึดติดมากเมื่อได้ยินเสียงชมที่สุดจริงๆเราก็ไม่ได้จากบา้บบานกูบ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อ น, นมาสการพระรณาตระยูดีเราก็ไปเพื่อกีเลศบงการไปอยู่นั่นแหละใช่ไหมตรงนั้นเข้าถึงสรารณะไหมไม่เข้าถึงแล้วจิตเราก็ได้บากกลับมาแล้วก็ได้ความเศร้าหมองกลับมาแล้วสรารณะอยู่ตรงไห น, น ในเครื่องกำจัดภัยอยู่ตรงไหนถถ้าเรากใจต่สรคมยะอยรอ๋อรีบสมาทานใหม่ทันทีนะยกตัวอย่างเช่นพอเราสาณาคมเราเศร้าหมองเรายังรต่างรีบตั้งใหม่เช่นเราปฏิบัติผิดกับพุทธอวอวาตก็ตั้งต้นหมายว่าตอนนี้ต้องระวังในอื่นยกตัวอย่างเช่น สมมติยอมสำรวยไปตรวจสอบจากผู้รู้ทั้งหลายว่าเออที่สิ่งที่เราปฏิบัตินี่มันไม่ถูกแล้วสมมติต้องกล้าที่จะถอนกลับนะอย่าไปสมาทานวอุยเราปฏิบัติอย่างนี้มันถูกใจเราเนะต้องระวังอนยะ่เองต้องกล้าที่จะถอนกลับทำไมถึงกล้าที่จะถอนกลับพอรู้ถ้าเราดันไปมันผิดทางต้องกล้าที่มาตั้งอยู่ที่สารณะถ้าเรารู้ว่าข้อปฏิบัติของเราเนะี่ย พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้แบบเนี้ยถ้ารู้เนะยต้องตั้งใจไว้ว่าเมื่อรู้ว่าวันใดวันหนึ่งที่เราสมาทานประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ตรงแต่พุทธโอวาสเวลาใดเราพร้อมที่จะถอนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขได้สมาทานในใจแบบนี้ไหมกล้าสมาทานแบบนี้ไหมล่ะถ้าไม่กล้าแปลว่าใจเราพร้อมที่จะเชื่อตัวเองถามว่า ความคิดของเราเนี่ยมั่นใจได้ไหมไม่มั่นใจหรอกเพราะให้ทุกเราตลอดทั้งเกียรติที่ตั้งแต่เด็กๆ เ, เราคิดว่าขยันเรียนเราจะไ ด, เะได้เราจะได้มีความสุขทําไมมันไม่สุขจริงเรียนจบแล้วเราจะได้มีความสุขก็ไม่สุขจบแล้วมีงานทําจะมีความสุขทําไมมันไม่สุขมีงานทํามีครอบครัวจะได้มีความสุขทําไมไม่สุข มีครอบครัวแล้วจะมีลูกมีลูกแล้วจะมีความสุขทําไมไม่สุขมีลูกไปเสร็จแล้วลูกโตเรียนจบแล้วจะมีความสุขลูกเรียนจบแล้วลูกมีครอบครัวมีความสุขลูกแต่งงานจะมีความสุขลูกมีลูกมีหลานจะมีความสุขถาว่าความคิดของเรามันผิดมาตลอดเนี่ยไปเชื่อถืออะไรไอ้ความคิดแบบนี้ลราทิ้งะเถอะมาเอาความตามพุทธเจ้าเสีย ถ้าเราศึกษาในวันนี้ได้แล้วเรื่องก็เข้าสู่การศรนคมแล้วเราคือมีข้อว่าปฏิบัติอาชีพนี้นั่รภาวนาหรือพิจารณาโดยหายใจเข้าออกทุกวันอยู่หนึชั่วโมงแล้จะตอเพื่อเครงเรื่องในที่เป็นบุญอุปศนที่ที่ถูกต้องในในในการที่เราจะไ้เงออกการถึงศรณคมกับการปฏิบัติกันเดียวกันเนะ แต่ต้องดูว่าอย่างว่ากําหนดลงหมายใจเข้าออกใช่ไหมที่เจริญอาณาพนสติก็กลับถามตัวเองว่าเราเรียนอาณาพนสติจากสํานักของใครจากสํานักของพระเจ้าหรือเปล่าเนะเาะก็ไปตอบมถามถามนี้ให้ชัดเตรวจสอบดูแล้วอ๋ออาณาพนสติที่เราเรียนเนี่ยคือการพิจารณาลงหมายใจเข้าออกเนี่ยโดยตรงเลยจากสํานักพระเจ้าโดยตรงเลยเนี่ยคือเทียบเทียงเด็เสร็จกระชัดแล้ว และเราเรียนอนาปณะเนี่ยแบบยอ่อหรือแบบขนาดกลางหรือแบบพิสดาร<ม>เอาถ้าเรากลุ่มประเภทที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญญาไม่แข็งแรงท่านสอนให้ฟังโดยพิสดาราะเอาอนาปณะสติฟังสักเอาสักสามร้อยรอบให้ยีเพราะฟังแต่ละครั้งมันจะได้ข้อบูลเรื่อยๆแล้วก็มาทำเลยแล้วก็ฟังตลอดฟังนี้จะไม่ผิด แต่ต้องฟังเกี่ยวเรื่องของานาปนาคาถาชัดเลยนะในที่กล่าวไว้ถูกต้องตามกคมพีอิสุติมารคหรือปฏิปิทามาร์คกันชัดเลยถูกต้องในอานาปนาสติสูตรเลยนี่นะแล้วก็ทาตามนั้นเลยอันนี้ชัดเลยก็การเพื่อจะทําให้ตนเองมั่นคงในสถานคมนั่เอพราะการถึงสถานะคมก็คือการได้สมาธิส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ได้ปัญญาด้วยอนนันก็เป็นตัวสถานะใช่ไหม เป็ น, นตัวสารณนะตามทางตามตลาดการปฏิบัติเลยนะคะว่าก็คือดูลงเฉยๆเนี่ยค่ะลงเข้าลงออกล ง, ลงเข้าทอ้ทองลงเออรีะทองทองยกยุกน ะ, คะ่ค่ะฝีมืก็ดูลงแล้วก็จะสึกสงบแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ก, กับการใช้ชีวิตกอคืออย่างนี้นะแกรณีเหตุการที่จริงๆแล้วนะคะชีวิตคารวะเนี่ย อานาภานะสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานที่บริหารยากเป็นกรรมฐานของระดับมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าพ ร, พระปฏิเจ้าพระุทธเจ้าและระดับมหาสาวกที่มีญาณปัญญาค่อนข้างดีต้องเข้าใจก่อนเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่บริหารได้ง่ายเลยเพราะจะต้องอาศัยสติและปัญญาที่มีกำลังอย่างเอง็กุ อุปมาเหมือนเข็มเข็มที่ละเอียดอย่างดีเลยลูเข็มก็เล็กที่สุดจึงต้องใช้ได้ที่ละเอียดแล้วก็เล็กที่สุดตาดีที่สุดจึงจะสามารถสอดเข้าลูเข็มที่เล็กที่สุดได้แม้ชั้นใดอานาปน า, ศ า, ศาสติจเจริญใหม่ๆอารมณ์ก็ยาวแต่พอจเจริญไปจเจริญมาอารมณ์จะยิ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น ฉะนั้นคนที่มีสติและปัญญาอ่อนแอก็จกไม่เห็นลกมกรรมฐานก็จะหายก็แค่จะ น, นิ่งได้แค่สุขไปเฉยๆที่สุดจริงๆก็ไม่ได้ผลมากจึงไม่ใช่เป็นภูมิของระดับคนที่ปัญญาระดับธรรมดาให้สังเกต ด, ดูนะว่าอุบาสกบาศิกาในสมัยข้ั้งพุทธกาลดนมากไม่เดินไม่มีเลยเดิน เป็นกรรมฐานละเอียดเหมาะสมแก่ผู้หลีกเล้นที่ห่างไกลเสียงและผู้คนเข้าใจไก็หลักเป็นอย่างเนี้ยแต่ข้อเท็จจริงแต่ห น, นึ่งแต่ถ้าใครจะเอามาเจริญได้ไหมก็ได้พอสร้างเป็นอัธยาศัยเข้าไว้แต่อย่าหวังผลเลิกสร้างเป็นอัธยาศัยเข้าไว้ว่าเออได้สงบได้เพราะเราต้องการจะฝึกผลไว้เป็นอัธยาศัยในภพชาติต่อไปไม่เป็นไรต่อไปเราก็ได้มีกําลังแข็งแรงมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ว่าห้ามทานะทําได้สั่งสมเป็นวาสนาภากิยะเป็นวาสนาบารมีได้ที่สุดจริงๆจะได้เป็นปัจจัยแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะถ้าเข้าใจอนาปนานสติถูกก็คือเข้าใจพรตาตนะไตรถ้าเข้าใจพรตาตนะรตร เ, เ, เข้าใจอนาปนานผิดก็คือรู้ผิดในพรนาราตนะไตรมันเดียวกันนะกรรมฐานทุกกรรมฐานเนี่ยถ้าเข้าใจผิด ก็แปลว่าความเศร้าหมองของพระัฒนาัยเกิดแต่ถ้าเข้าใจถูกและปฏิบัติถูกความของแค่ของพรระัฒนาใจ ก, การเคาพรพพัฒนาใจจึงจะถูกเห็นใช่ไหมว่าถ้ารักถ้าให้ทานไม่ตรงไปตามพุทธโอวาทถามว่าสารณคมการถือสารณคมแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงเพราะให้ทานไม่เป็นนี่ไม่แข็งแรงเนี่ยเพราะสารา น, านี่จะต้องเป็นตัวกํากับนะทุกเรื่องนะ คำตอบว่าคุณปฏิบัติถูกต้องตามพุทธโอวาทแล้วคุณผลัก ด, ดันให้เจตให้เจศนาทานเกิดขึ้นได้จริงไหมกลุ่มนามธรรมที่เป็นฉันทาวิริยะจิตต์ปัญญากระตุน้นกลุ่มนามธรรมทั้งหลายให้เกิดความเป็นอลังการละให้เกิดความเป็นความของใสปราโมทได้จริงไหมความไม่โลคความไม่โกรธและปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่ให้ทานได้จริงหรือไม่เห็นไหมันจะากาศเป็นสภาพจิต ท, ที่ไม่มีโรคไม่มีโทษ จิตที่เป็นไปกับจายาปัญญาจิตที่เป็นสุขข่าวิบากมีความสุขเป็นผลเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วในขณะเดียวกันสามารถเอามา ล, ลึกเมื่อไหร่ก็จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ทันทีแล้วเป็นจริงไหมเอาทานเนี่ยเอาเจตนามา ล, ลึกแล้วจิตตั้งมั่นขนลุกชูชันตั้งมั่นปลาโมดปีติเกิดทันทีเลยนะ่ะเป็นไหมอันใช่ไม่เป็นก็แสดงว่าตอนนี้ทานกุศลของเรายังไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ก็เปิดอย่าท้อ ก็ฝึกบางทีเราบอกโอ้ฉันมีเงินน้อยเนี่ยชันให้ยาอมแก้เจ็บคอแค่กล่องเดียวนี้เท่านั้นเองแล้วทานกุศลจะเลิศจะประเสริฐหรือไม่นอ้ออ่ะนี่คือคื อ, คอกลุ่มนามธรรมาไม่จะเป็นทานกุศลนะแต่ตัวรูปประธรรมจะเป็นถ้านามธรรมาเป็นกุศลเนี่ยไม่ได้ขับเน้นว่าที่น้อยนิดแต่ไปขับเน้นบอกว่ายาอมแก้เจ็บคอ พระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาที่จะหลั่งไหลให้สู่กระแสจิตใจของสัตว์โลกได้ทั้งหลายอาศัยยาเม็ดนี้แลวหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของผีสุขที่กําลังกล่าวพระธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ชื่อว่าเป็นการให้อมตะโดยแท้สือทิจานณา อมตะก็คือการให้ความไม่ตายให้ความไม่เกิดให้ความไม่แก่ให้ความไม่เจ็บให้ความไม่ตายเข้าใจไหมให้ความไม่โศกให้ความไม่ร่าไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายไม่ได้ให้สิ่งเหล่านี้เลยแต่เป็นการให้พระนิพพานจงเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนให้ข้าพเจ้าถึงสารณคมและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กระแสชีวิตข้าพเจ้านิพพานโดยเร็วโดยง่ายโดยสะดวกโดยพันธ์เถิด โอ้อย่จย่นเลยไหมยิ่งแปลว่าความเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแต่ต้งบอกว่าโอ้น้อยนิดเลยเนี่ยไม่ไหวเลยของเราเขาถวายบ้านตั้งหลังนึ่งแต่เราถวาย เ, ยเห็นไหมไม่ปรุงแต่งนามารํามันเลิศได้ไอตัวนมามธรรมนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวสร้างเหตุแล้วให้ผลไม่ใช่ตัวรูปธรรม